มาจากที่ไหนกันสามคนนี่สีร a c ค่ะสีร acha ฮะในเมืองเมืองสีรา c า a เลยเมืองพัทยาศีร acha สร a c h อันนี้บางพะบางพะเมืองค่ะเมืองอะไรชมบุรีชมบุรีเคยมาหรือาเคยมาหรือเปล่าเจ้าคะไม่เคย มาลรได้อะไรบ้ในในางค อ, อ, อ่ทมเเดี๋ยวนี้อยู่ที่บ้านก็ติดตามถ่ายทอดสดได้มีมีเครื่องระบะับหรือเปล่ามีมือถือหรือเปล่า มีถ่ายทอดสดทุกวัน น, นี้ติดตามได้อยู่ที่ไหนทั่วโลกมีคุณบางเอินอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์รู้สึกติดตอดติดตามทุกวันเลยบางเอิญใช่ไหมชื่อบางเอิญเห็นส่งข้อความมาทุกวัน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 เขียนจดหมายจดหมายกว่าจะส่งมาถึงก็หลายวันป่าเขาจะอ่านว่าเขาจะตอบกลับไปก็หลายวันบางทีลืมไปแล้วว่าเขียนอะไรไปแล้วสบายนี้ส่งปั๊บกลับมาปุ๊บเลยด่ากันไปด่ากันมาได้อย่างรวดเร็วใครพูดอะไรไม่พอใจปุ๊บเดียวกลับมาแล้ว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 ใช้อย่างไรใช้ให้เกิดโทษก็ใช้ไปในเรื่องอบายมุขใช้กับอบายมุขต่างๆเอาไปเล่นการพนันเด่มสุลายามเมาไปเที่ยวกลางคืนการใช้เงินแบบนี้ก็จะทำให้หมดเนื้อหมดตัวได้ เพราะการใช้เงินแบบนี้มันจะทำให้ติดต้องใช้อยู่เรื่อยๆและไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายการใช้ที่ให้คนให้ประโยชน์ก็มีสองทางใช้กับร่างกาย ใช้เลี้ยงดูร่างกายซื้ออาหารซื้อยารักษาโรคซื้อเครื่องนุ่งห่มซื้อที่อยู่อาศัยใหไแบบนี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์ถ้าใช้เพื่อให้เกิดคุณประโยชน์กับจิตใจก็เอาไปทำบุญทำทานถ้าใช้ให้เกิดโทษก็ไปซื้อของฟุ่มเฟือย ซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของที่เรามีพอแล้วเช่นเสื้อผ้ามีพอแล้วแต่เวลาเดินห้างทีไรเห็นเสื้อผ้าสวยๆงามๆก็อยากจะได้เห็นอะไรสวยๆงามๆก็อยากจะได้ถ้าซื้อตามความอยากมันก็จะติด เหมือนติดยาเสพติดก็อยากจะซื้อไปเรื่อยๆซื้อเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแล้วก็จะทำให้เราต้องหาเงินหาทองมาซื้ออยู่เรื่อยๆแล้วถ้าต้องการหาเร็วๆหาง่ายๆก็จะทำบาปทำผิดกฎหมายได้ ก็จะนำไปสู่ปัญหาทำผิดกฎหมายก็ติดคุกติดตารางทำบาปเวลาตายไปก็ต้องไปใช้บาปในอาบายไปเกิดเป็ น, ดนเดรัจฉานเป็นเป็นเปดไปตกนรกอันนี้เป็นการใช้เงินที่ให้เกิดโทษ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 อันนี้เป็นโทษอย่าไปใช้เงินแบบนี้ใช้เงินให้เกิดคุณประโยชน์ก็เอามาทำบุญแทนเนงินที่เราทำบุญทุกบาททุกสตางค์นี้เป็นของเรามันจะรอเราอยู่เวลาเรากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เหมือนเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารไม่สูญหาย นอกจากไม่สูญหายแล้วยังมีดอกเบีย้ยเพิ่มให้ด้วยเช่นฝากเงินไว้ในชาตินี้ถ้าหน้าเรากลับมาเกิดใหม่ถ้ามาหลายหลายร้อยปีคิดี่ดอกเบีย้ยมันทบต้นมันจะไปเท่าไหร่ฝากร้อยหนึ่งกลับมาอาจจะได้พันสองพันหรือหมื่นหนึ่งนี่คือ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 กลัวไปสารพัดเนี่ยมีแทนที่จะมีความสุขกับมีความทุกข์กับมันอย่าไปมีมันดีกว่าถ้ามีแบบนี้หากินไปวันวันน่งอย่างมากก็แค่ตายถคิดว่าเราสักวันหนึ่งก็ต้องตายอยู่ดีต่อให้สะสมไอยมากเท่าไหร่มันก็ตายไป อยู่ก็อยู่แบบทุกข์อยู่กับวุ่นอยู่กับความกังวลอยู่กับความวุ่นวายอยู่แบบนั้นอยู่ไปทำไมเวลาอยู่มันต้องอยู่แบบไม่กังวลอยู่แบบไม่วุว่นวายไม่กังวลไม่วุ่นวายก็คือต้องยินดีต้องพร้อมที่จะอดพร้อมที่จะตายเพราะเรื่องความอดความตายนี่มันเป็นเรื่องของโลกนี้ ก่มาทุกคนมันจะต้องเจอกันความตายนี้ก็ต้องเจอกันความอดอยากขาดแคลนบางครั้งบางคราวมันก็ต้องมีบ้างมันเป็นเรื่องปกติถ้าเร า, เาฝึกฝนตัวเราให้อยู่กับคนอดอดยากขาดแคลนได้อยู่กับความตายได้เราจะอยู่อย่างสบายใจ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 ว่ามันต้องถึงเวลาที่จะต้องเจอวันอดวันตายวันอดที่ต้องทุกคนจะต้องเจอคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็กินไม่ได้กินไม่ได้มันก็อดแต่หมอก็ไม่ยอมให้อดอ่อนทางสายยางให้เองมันก็เลยทมให้อยู่เป็นแบบทรมานไปอีกการที่จะให้มันอดตายไปเร็วๆมันกลับมาทรมาน อยู่กับสายยางอยู่กับอะไรแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นอนกระเดากระเดอไปวันวันหนึ่งก็รอความตายอยู่ดีก็ทำไ้ไม่ปล่อยให้มันตายไปหมดเรื่องหมดเล่าไปปล่อยให้ตายนี้ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายนะต้องเข้าใจการฆ่าตัวตายนี้หมายถึงเอายาพิษมากินเอามีดมาทิ่มมาแทง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 ถึงเวลามันจะไปให้มันไปมันไม่ใช่ตัวเราของเราเอ่อขึ้นมาทางนี้ด้วยกาขึ้นทางข้างหนา้าทางนี้มันเต็มให้คิดถึงความตายกันบ้างนะความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายาถึงเวลามันจะไปก็ให้มันไป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 ไม่ต้องไปเสียดายร่างกายนี้นะร่างกายนี้มันเป็นเหมือนรถยนต์ที่เราใช้เอาไปทำตามความอยากต่างๆตามใดที่เรายังมีความอยากอยู่ตามนั้นเรายังต้องมีร่างกายอยู่เหมือนกับตามใดที่เรายังต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ตามนั้นเราก็ยังต้องมีรถยนต์กัน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 ก็ร่างกายนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องมาหาร่างกายอันใหม่เหมือนกับรถยนต์ถ้าเราไม่ต้องออกจะไปนอกบ้านแล้วรถยนต์ก็เกะกะเปอา่าจอดทิ้งไว้ก็เอาไปขายทิ้งดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องซื้อคันใหม่เพราะอยู่บ้านสบายกว่าออกนอกบ้านแต่ละครั้งนี่มันเหนื่อยนะไปติดรถบนท้องถนน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 ซื้ออาหารมาให้กับใจอย่าไปซื้อยาเสพติดอาหารของใจก็คือบุญนี่เองแทนที่จะเอาเงินไปทําตามความอยากต่างๆไปเที่ยวไปดูไปฟังไปกินไปดื่มเอาเงินไปทําบุญอันนี้เหมือนกับเอาเงินไปซื้ออาหารให้กับใจเพราะการทําบุญจะทําให้มีความสุขใจอิ่มใจจะทําให้ไม่หิวกับการไป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 อดมือ้อกินมือแต่เขาให้ได้เสพยาเสพติดเวลาเสพแล้วมันก็ลืมเมื่อความหิวของอาหารไปชั่วคราวแต่มันก็จะทำให้ตายเร็วคนเสพยาเสพติดนี้อายุสั้นคนเสพยาเสพติดทางใจก็จะมีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความเครียดมีแต่ความหงุดหงิดลาคาญใจว้าเหวเศร้าส้อยงอยเหงา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 ใช้ให้เป็นใช้เป็นก็ใช้ทําประโยชน์ได้เอาไปตัดเอาไปฟันไม้ฟันใบหั่นผักหั่นเนื้อทํากับขุง้งกับข้าวทําสารพัดประโยชน์ได้จากการมีมีดใช้มีดเป็นจับมันไม่ถูกก็บากมือได้หรือเอามาทิ่มแทงตนเองได้หรือเอาไปทิ่มแทงคนอื่นก็ได้ นการจะใช้อะไรนี้ต้องมีสติมีปัญญาถึงจะได้ใช้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาของเราเองเราก็ต้องอาศัยสติปัญญาของคนอื่นที่เราไปเรียนหนังสือนี่ก็ไปอาศัยสติปัญญาของคนอื่นไปโรงเรียนเอาเอาสติปัญญาของคนอื่นที่เขาได้เขาได้พิสูจน์แล้วว่า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 อาหารเครื่องนุ่หงห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยแล้วก็ต้องรู้จักประมาณยอย่าซื้อเกินกำลังซื้อพอกับฐานะของเราเพราะราคามันจะมากจะน้อยมันก็ทำหน้าที่ได้เหมือนกันเสื้อผ้าชุดละสองสามร้อยกับชุดละสองสามพันมันก็ไว้หุ้มห่อร่างกายเหมือนกันมันก็ไม่มีผลแตกต่างกัน ซื้อเสื้อผ้าที่ติดมีป้ายมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันอาหารก็เหมือนกันอาหารจะราคาแพงหรืออาคาราค า, ร, ราคาถูกกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันยารักษาโรครักษาโรงพยบาบาล30สิบาททุกโรค ก, ก็ได้หรือจะไปรักษาสามแสทุกโรค ก, ก็ได้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 สามมืก็ต้องกินสามครั้งคูณสามต้องหาต้องหาต้องทำอาหารสามรอบกินครั้งเดียวก็รอบเดียวร่างกายก็ทำงานรอบเดียวกระเพาะลำไส้ก็ย่อยอาหารเพียงครั้งเดียวไม่ต้องทำงานหนักก็ทำให้แข็งแรงอายุยาวนานพราไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องใช้งานหนัก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 ข้าวมือละห้าสิบบาทกับข้าวมือละห้าร้อยมันก็เหมือนกันมันก็ดับความหิวได้เหมือนกันทําให้อิ่มได้เหมือนกันแต่คนที่ใช้ห้าสิบนี่มีอีกสี่ร้อยห้าสิบเหลือคนที่ใช้ห้าร้อยนี่หมดเลยหวนเดียวคนที่ใช้ห้าสิบนี่ไม่ต้องไปหาห า, หาเงินอีกสิบวันมีเงินเหลือกินได้อีกเก้าวันะ คนที่ใช้ห้าร้อยต้องไปหามาแต่ถ้ามีบุญชาติก่อนเคยทำบุญไว้กลับมาเกิดมีเงินเยอะแยะกินจนมันตายก็ไม่หมดอย่านจะกินมือละกี่ตังก็กินไปแต่มันก็เหมือนกันมันก็อิ่มเหมือนกันดับความหิวได้เหมือนกันถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเหมือนกันให้มีอะไรต่างกัน ดนอย่าหลงกับของเหล่านี้ต้องใช้ต้องรู้จักใช้สติใช้ปัญญาจะได้อยู่ใช้ชีวิตอยู่อย่างสบายไม่วุ่นวายแต่วันนี้วุ่นวายปากกาตีนถีบกั น, นนะเงินไม่ค่อยพอใช้ก็ไม่พอไงมันอยากจะใช้กันมากแล้วอนกันทำไมสมัยเด็กๆใช้เวลาไม่กี่บาททำไมอยู่ได้กันนะไปโรงเรียนพ่อแม่ให้เงินวันละกี่บาท ก็ใช้ตามมีตามเกิดนะแต่พอมีกําลังหาเงินเองได้เนี้ยมันใช้ตามมีตามเกิดไม่ได้นะมันต้องใช้ตามความอยากกันนะพอใช้ตามความอยากมันก็ขยายตัวความอยากนี้มันขยายตัวเก่งจะตายไหพอได้คือก็อยากได้สอบนะได้สอบก็อยากจะได้วา ได้ร้อยก็อยากจะได้พันได้พันก็อยากจะได้มื่นแล้วพอได้มากก็ใช้มากเคยใช้วันละร้อยพอได้พันวันละร้อยก็ไม่พอใช้ล้ใช้ไม่ได้ต้องใช้วันละพันะพอได้หมื่นก็ใช้วันละพันไม่ได้ต้องใช้วันละหมื่นะเนี่ยมันความอยากนี่มันจะทำให้เราต้องวุ่นวายไม่รู้จักจบจากสิ้น พระพุทธเจ้านสอนให้ปรับความอยากด้วยการใช้ความมากน้อยอมันจะมีมากเท่าไหร่ก็ใช้มันแค่นี้แหละเคยใช้ันลาสาสิบก็ใช้มันแค่30สิบนี่แหละก็เมื่อก่อน30สิบก็ใช้ได้ทําไมเดี๋ยวนี้ทําไมใช้ไม่ได้นอกจากของมันแพงขึ้นก็ปรับราคาหน่อยก็ได้จาก30มสิบเป็นห้าสิบก็ว่าไปแต่อย่าไปใช้ตามปริมาณเงินที่เราหาได้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 ประโยชน์กับจิตใจและร่างกายใช้แบบมากน้อยสัมโดดแล้วก็อย่าไปใช้กับยาเสพติดต่างๆของใจอย่าไปซื้อรูปเสียงกลิ่นลดมาเสพอย่าไปซื้อของฟุ่มเฟือยของที่มีของที่เรามีพอใช้แล้วเช่นเสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าพอใช้แล้วก็อย่าไปซื้อมันไว้เรามันไม่พอก่อน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 ต่อไปเราก็กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ชาตินี้เป็นชาติที่ดีมากเพราะว่าเรามีโอกาสได้สืบทอดสติปัญญาของพระพุทธเจ้ารับถ่ายทอดสติปัญญาของพระพุทธเจ้าที่หายากมากนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้รู้ซักองค์ย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 ผู้ที่ได้หลุดพ้นได้เป็นพระอาหารหันตจากการได้ยินได้ฟังคาสอนของพระพุทธเจ้าส่วนอรหันตสัมมาสามพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ค้นคว้าสติปัญญาที่จะทำให้หลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยตนเองที่จะทำให้ตนเองเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมามีคนเดียวเท่านั้นที่เป็นพระอาหารหันตสามมาสามพุทธเจ้าล่านั้นต้องเป็นอรหันตสาวกเพราะไม่มีความสามารถที่จะ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 บรรลุเป็นพระอาหารหันต์มากน้อยเพียงไรถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏมาตัดสู้มาสอนนี่ตอนนี้ก็ยังไม่มีพระอาหารหันต์ทักวังมีไม่ได้ไม่มีใครรู้ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าแต่ขนาดมีก็ยังมีคนน้อยที่จะไปกันยังเสียดาย ย, ยังเสียดายความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่ ยังเสียดายขนมนมเนยอยู่ยังเสียดายกาแฟกันอยู่ยังเสียดายแฟนกันอยู่คนที่จะไปตามพระเจา้านี้ต้องไม่เสียดายของต่าง ๆ, ๆที่มีอยู่ต้องสละหมดออกบวชเนะีเวลาออกบวชนี่ไม่เอาอะไรไปเลยไปตัวเปล่าๆคนที่ไปบวชนี้เขาไม่เอาอะไรไปเลยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรธิดา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 เวลาอ่านหนังสือนี้บางทีก็ไม่เข้าใจหรือเวลาไปทำไม่ถูกก็ไม่มีใครมาเตือนมาบอกว่าทาไม่ถูกแต่ถ้าไปศึกษากับครูอาจารย์นี่เวลาทำไม่ถูกครูอาจารย์ก็จะเตือนบอกไม่ถูกเวลาสงสัยไม่รู้ไม่เข้าใจก็ถามครูอาจารย์ได้แต่ไปถามหนังสือหนังสือมันก็มันก็ตอบเราไม่ได้นอกแกเราต้องไปอ่านนั้นทั้งเล่ม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 ถอกลับมาใหม่เช่นอ่านแล้วเข้าใจผิดทาอย่างนี้ทาแล้วไม่เกิดผลก็หยุดวิธีนี้กลับมาทดลองอีกวิธีหนึ่งดูลองผิดลองถูกไปเดี๋ยวมันก็ได้เองแต่มันจะช้ากว่าการมีครูอาจารย์คอยสอนคอยบอกพอทาไปแล้วไม่ได้ผลก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็บอกเอ้ทำงี้ไม่ถูกต้องทำแบบนี้ พอไปทำแบบนี้ทำถูกผลมันก็เกิดขึ้นมาถ้าไม่มีครูอาจารย์มีหนังสือก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องลองผิดลองถูกไปกว่าจะได้ทางถูกก็อาจจะเสียเวลามากอาจจะไม่ทันเวลาของชีวิตนี้ก็ได้แต่ถ้ามีครูอาจารย์นีพระเจ้ารับรองเลยว่าหกเจ็ดวันก็ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือน ไม่เจดเดือนก็7ปีรับรองได้ดุดพ้นได้อย่างแน่นอนนี่คือการเข้าหาสติปัญญาของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาฟังเทศฟังธรรมด้วยการอ่านหนังสือด้วยการไปปฏิบัติเพราะการอ่านหนังสือการศึกษาเพียงแต่เป็นเหมือนดูแผนที่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 สมบัติข้าวของที่เขามีอยู่ให้คนอื่นไปให้หมดแล้วตัวเขาก็ไปบวชได้ไปรักษาศีลได้อย่างเต็มที่รักษาศีลก็ง่ายคนที่ไม่ต้องหาเงินหาทองนี่รักษาศีลง่ายกับคนที่หาเงินหาทองเพราะไม่มีอะไรจะต้องไปโกหกใครไม่มีอะไรจะต้องไปโกงใครเพราะไม่ต้องการเงินทองของใครก็รักษาศีลได้สบายง่ายด้ย่างได ที่รักษาสินกันไม่ได้ก็เพราะอยากหาเงินหาทองหักอยากหาสิ่งนั้นสิ่งนี้กันก็เลยต้องโกหกหลอกลวงกันโกงกันถึงจะได้สิ่งที่อยากได้กันถ้าไม่โกหกไม่หลอกลวงก็ไม่ได้หรือได้ก็ช้าแล้วก็ได้น้อยไม่ทันใจไม่พอใจดังนั้นจะรักษาสินได้ต้อง ต้องไม่โลภไม่อยากได้เงินทองไม่อยากได้อะไรจากใครเรารับรองได้ว่ารักษาศีลได้อย่างง่ายได้ถ้ายังอยากได้อะไรอยู่นี่มันเดี๋ยวก็ต้องทำให้เราโกหกเดี๋ยวก็ต้องทําให้เราโกงนี่คือเรื่องของการเข้ามาหาพระพุทธศาสนาเข้ามาเพื่อรับสติปัญญาของพระเจ้ามาใส่ใจของเรา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 สุขเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็กลับมาทุกข์มาวุ่นวายใจมาวิตกมากังวนกลกับเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีวันจบสิ้นนั้นการมาเวียนว่ายตายเกิดนี่มึนเป็นการมาหาความทุกข์กันไม่ใช่มาหาความสุขกันถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอย่ามาเกิดทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องมีสติปัญญาของพระพุทธเจ้าปฏิบัติ ใช้สติปัญญาของพระพุทธเจ้าพาไปสู่การหลุดพ้นเท่านั้นพระพุทธเจ้าออกบวชเราก็ต้องออกบวชอย่าหวังว่าโอ๊ยเราจะหลุดพ้นจากการเป็นฆราวาสเลยมีฆราวาสคนไหนหลุดพ้นกันมั้งมีก็น้อยมากเป็นกรณียกเว้นเปนกรณีพิเศษเท่านี้เอ 99.9% นี้เป็นพระทั้งนั้นที่หลุดพ้นนะ ไปเห็นมีรูปของค า, า, วารวะหลวงพ่อให้เรากราบไหว้กันบ้างไหมมีแต่รูปของพระเท่านั้นนะเพราะเขาออกบวชกันเขาก็เป็นคารวะเป็นดาวา่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นั้นเองแทนที่จะใส่กางเกงใส่เสื้อก็มาใส่กีวรแทนแทนที่จะมีผมยาวก็โกนหัวเท่านั้นเองททก็เป็ น, ทนทคนเหมือนกันแต่การเป็นพระมันทําให้มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ เป็นคาราวะาไม่มีเวลาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่เพราะต้องไปหาเงินหาทองไปใช้เงินใช้ทองกันแล้วมันจะ เ, เวลามาปฏิบัติยังได้อย่างไรการใช้เงินใช้ทองหาเงินหาทองก็เป็นการทำตามกิเลสําตามความอยากที่เป็นตัวที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดนั่นเอง พอเราอยู่ทาเงินหาทองนี่เราก็ฆ่ากิเลสฆ่าตันหาความอยากวะขอให้เราพยายามศึกษากัน น, นานๆจะมีสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาแจกให้พวกเราฟรีถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาก็จะคิดเงิน่ะสมุนลิขิ์กันนี่พระพุทธเจ้าท่านเป็นคนที่ไม่โลภไม่ไม่หลงกับทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทอง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 เพมันเป็นเหมือนซื้อยาเสพติดเป็นความสุขแบบยาเสพติดเอามาซื้ออาหารกับใจด้วยการทำบุญดีกค่ะใจจะอิ่มใจจะสุขใจจะสบายลดความอยากไปได้ลดความทุกข์ไปได้ในระดับหนึ่งแล้วต่อไปก็จะสลัได้หมดนะไปออกบวชรักษาศีลได้ไปปฏิบัตินั่งสมาธิทำใจให้สงบเอาสติปัญญาของท่าเจ้ามาข้า ตัวที่ทำให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันก็คือตัวตัณหากิเลสต่างๆให้หมดไปจากใจมันง่ายจะตายไปท่านสอนง่ายๆสามขั้นตอนนนะไ ม, ไ ม, ม่ไม่มีอะไรยุ่งยากรักษาสีนั่งสมาธิจิตสงบแล้วพอมีกำลังออกจากสมาธิมาก็ใช้เอาสติปัญญาพระเจ้ามาฆ่าความอยากอยากจะ ทำอะไรก็ตัดมันไปอยากจะดูอะไรก็ตัดมันไปเดี๋ยวมันก็จบคนถึงันรู้กันง่ายๆสมัยที่มีพระเจ้าคอยสอนบางคนก็เจ็ดวันบางคนก็เจ็ดเดือนบางคนก็เจ็ดปีนัมันไม่ยากนอย่าไปคิดว่ามันยากเราถูกกิเลสหลอถ้าเราคิดว่ามันยากที่มันยากเพราะเราไม่ยอมทำกันเองพอคิดว่ามันยากก็เลยไม่ทำกันเลยกิเลสมันก็ชอบเพราะกิเลสไม่ต้องการให ไม่ต้องการตายกิเลสมันกลัวตายถ้าเราปฏิบัติแล้วกิเลสมันตายกิเลสมันเลยคอยมาหลอกเราว่ายากอย่าทําเลยพวกเราไม่มีวาสนาไม่มีบุญไม่มีบารมีหรอกแต่ความจริงทุกคนเนี่ยที่เป็นมนุษย์นี่มีวาสนามีบารมีทุกคนมีสิทธิ์หลุดพ้นได้ทุกคนอยู่ที่ว่าจะฉลาดกว่ากิเลสเรื่องโง่กว่ากิเลสทนั้นเองถ้าฉลาดกว่ากิเลสก็ไม่เชื่อกิเลสเชื่อพระพุทธเจ้า องค์ตถาจ่าบอกเวัน7เดือ น, 7, น7ปีก็ได้นะเอาไปคิดเอาไปพิจารณาล้วจะให้พรเราจะถามอะไรคเเกิดสหลาานชยไม่ได้ยินเคสของหลานชายโยงยอยอตอนแรกว่าใจก็จะผุ้ไวยตอนหลังนี้ก็ทิ่เราได้ตาใจได้แต่ ว่าาว่าาเลยอยก็แล้วแต่นะมันนิ่งก็ไม่นิ่งอะเราก็ดูไปสิเราเราเราไม่รู้สึกร้อนใจเลยอ่าได้ยังไงะรู้สึกว่าใจมันไม่ไม่เคยรู้สึกเฉยที่ที่จบทีว่าเฉยเฉยมมันมันไม่เฉยมืนเคยเฉยก็พิจารณาต่อไปให้มันเฉยเลยพิจารณาว่ามันเป็นดินน้ําลมไฟไม่ใช่หลานตัวหลานไม่ได้ตายไปกันร่างกาย ร่างกายเป็นเพียงรถของหลานหลานอาศัยรถคันนี้พาหลานไปไหนมาไหนตอนนี้รถเสียรถจะพังก็เสียที่รถไม่ได้เสียที่หลานเนียตัวหลานไม่มีวันตายตัวหลานก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ไปเท่านั้นยังไม่เห็นชัดเจนว่าใครตายใครไม่ตาย แต่เห็นชัดเจนว่าใครตายใครไม่ตายก็มันก็ไม่มีอะไรจะต้องกังวลอย่างพวกเรานี่ไม่ตายที่ตายไม่ใช่พวกเราที่ตายก็คือร่างกายของพวกเราต่างกายของพวกเราพุทธเจ้า ก, ก็บอกเราไม่ใช่พวกไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นของดินน้ำลมไฟขอยืมมาจากดินน้ำลมไฟเดี๋ยวยินดินน้ำลมไฟก็ขอคืนไป เวลาร่างกายตายมันยังอยู่เหมือนเดิมหรือมันแยกไปน้ำก็แยกไปดินก็แยกไปลมก็แยกไปไฟก็แยกไปใจที่สั่งให้ร่างกายทําอะไรก็ไปต่อไปหาร่างกายใหม่ต่อไปหาท้องใหม่ก็มีท่านี้พูดจนปากเปียกป า, ยยากฉี่ก็ยงพอถึงเวลาเจ็บไข้เนป่ยปวยก็ลืมไปหมดเลยจำไม่ได้ว่า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 ร่างกายใหม่ก็ต้องไปหาท้องที่เขากำลังตั้งกันอยู่เนี่ยพอใคตั้งท้องก็ไปจับจองไว้เลยฉันเอาร่างกายนี้เนี่ยก็รอเก้าเดือนก็ออกมาแล้วนะออกมาแล้วก็มาหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราอีกนะมามันมาจากพ่อจากแม่ แ, แท้จะเป็นตัวเราของเราตรงไหน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 สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางร่างกายรู้ลูกผ่านทางตารู้เสียงผ่านทางหูผู้รู้นี่คือเราเนี่ยแต่เรานี่ไม่ได้ตายเวลาเราไม่มีร่างกายเพียงแต่เราไม่มีอะไรมารับรู้ช่ว ง, งนั้นก็เหมือนตอนเรานอนหลับ เ, เวลาเราหลับเราก็ไม่ได้ใช้ร่างกายใช่ไหมเราก็ไม่รับรู้เรื่องอะไรที่มาสัมผัสกับทางร่างกายๆๆๆเวลาตายก็เหมือนกับเวลานอนหลับเนี่ย เวลาเกิดก็เหมือนเวลาตื่นขึ้นมาใหม่เวลาเปลี่ยนร่างกายก็เวลาตายนี่ก็เหมือนไปเปลี่ยนร่างกายอันใหม่ก็นอนหลับไปพอได้ร่างกายใหม่ออกจากท้องแม่ออกมาก็ตื่นตื่นกลายเป็นร่างกายร่างใหม่ไปใช่ไหมร่างเก่าหายไปหมดแล้วมันไม่มีใครตายเข้าใจไหมมันก็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 เวลาเราเปลี่ยนรุ่นใหม่เราล้องห่มล่องห้างไงหรืววเอเปล่ากับดีใจโอ้เปลี่ยนคันเก่า ม, <c oughs> มันเสียอยู่เรื่อยๆขับไปไหนก็ไม่มั่นใจเปลี่ยนมันดีกว่าเอารุ่นใหม่รุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่าเราอยากจะได้ร่างกายใหม่ที่ดีกว่าเก่าก็ทำบุญเยอะๆรับรองได้จะได้ร่างกายที่ดีกว่าเก่าพระเวชสันดรนนี้พอ ตายไปก็ไปไปเที่ยวในสวรรค์ก่อนแล้วพอกลับมาเกิดก็ได้เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเปลี่ยนร่างกายอใหม่เป็นจากร่างกายของพระเวสสันดรมาเป็นร่างกายของเจ้าชายสิทธัตถะแต่เป็นร่างกายอันสุดท้ายเพราะหลังจากเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่เปลี่ยนแล้วไม่พอละเบื่อแล้วาะได้มากี่ร่างก็ต้องแก่เจ็บตายเหมือนกัน มีใครอยากจะถามอะไรไหมอาจารย์อยากจะทาะไรไารแ บ, บ, แทรบการปฏิบัติของคารวะที่อย่างเงี้ยกับผมเองครับทุกวันนี้ก็คือทุกเย็นจะสวดมนต์บทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็พระผูออมหากาต่อด้วยชินะบัญชรจะสวดได้หมดแล้วก็ต่อด้วยนั่งสมาธิการปฏิบัติอย่างเงี้ยคือจะสามารถบรรลุแต่ ว, ว่าในใ น, ใ น, ในก็ต้องนั่งให้ของคาวะนน ะ, ะต้องนั่งให้ได้ผล คือผมปฏิบัติมาประมาณสสองปีได้แต่ว่าอยากจะทราบความก้าวหน้าไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนคือมันเอาอะไรมาวัดครับก็ดูความสงบของใจครับสวดมนต์แล้วใจสงบไหมนั่งสมาธิแล้วใจสงบไหมครับแล้วเราเหมือนการสวดมนต์กับการปฏิบัติเนี่ยมันก็นเป็นที่จะได้ผลดีที่สุดมันก็เป็นเหมือนเกียรย์รถยนต์นะครับรถยนต์มันมีหลายเกียร์ขึ้นอยู่กับสภาพของรถใช่ไหม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 เพื่อให้ความฟุ้งซ่านมันเบาลงพอมันเบาลงแล้วเราก็ดูลงไปแล้วพุโทโธไปแล้วก็ต้องให้มันรวมมันตกหนุ่มตกบอ่อแล้วก็วูบลงไปแล้วก็นิ่งสบายได้พบกับความสุขที่มหาสจัจจใจดังนั้นถึงจะเรียกว่าได้ผลได้ก้าวหน้าถ้าได้ผลอย่างนี้แล้วก็ออกบวชได้เพราะว่าจะจะไม่ไม่อยากได้อะไรแล้วนอกจาก ผลที่ได้จากความสงบนี่ก็อยากจะปฏิบัติมากๆนะแแทนที่อยากจะการแทนที่จะปฏิบัติวันละชั่วโมงก็อยากจะปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนคืออย่างวันนี้ที่ปฏิบัติก็คืจากที่ลมหายใจทุงที่ท้องคือสติมาไว้ที่ท้องคองท้องยุบกนะ็ได้แล้วก็เวลามีเสียงอะไรก็กจิตไปจัดตรง น, นั้นไม่ไมไม่ไม่ไปไม่ไม่ถ<ม>ูกแล้ ไม่ให้ไปไหนให้อยู่ที่ท้องอย่างเมตนาจิตหมดไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปไหนอยู่ที่เดิมหมดถ้าไปแล้วจิตจะไม่สงบก็เหมือนว่าให้ให้จิตรู้นะที่เดียวแพ่งอยู่ที่เดียวที่เดียวไม่ให้ไปที่อื่นถ้าไปมันก็ไม่สงบแล้วมันมันเสียสมาธิแล้วถ้าจะดูท้องก็ดูท้องจุดเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอื่นถ้าไปก็จิตมันก็ไป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 กำลังไม่พอที่จะดึงใจให้เข้าไปตกหลุมตกบอ่อแล้วอย่างการปฏิบัติเนี่ยเราเดินสมมุติว่าเดินห ช, ชั่วโมงนั่งหนึ่งชั่วโมงนด้ไหมครับหรือว่าจะ น, นั่งอ๋อเรื่องเดินนั่งๆ่งนี้เป็นเรื่องของนั่งกายถ้านั่งมันเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินอาเดินมันเมื่อยก็กลับไปนั่งแต่ตัวตัวจิตก็ต้องเหมือนเดิมต้องคุมมันไว้ตลอดเวลาต้องไม่ให้มันคิดปรุงแต่งแล้วพุโทโธก็พุโทโธ อยาเข้ามาเลยเด็กไปไปนั่งไกลๆเลยนะที่นั่งงี้มีกับไปคนกำลังคุยกันอยู่นะต้องต้องควบคุมความคิดตลอดเวลาความคิดมันทำให้จิตไม่สงบทำให้จิตไม่มีความสุขหยุดความคิดได้แล้วจิตจะสงบมีความสุข แล้วก็จะทิ้งทุกอย่างได้ที่ทิ้งไม่ได้ก็ไปมันไปคิดถึงมันแล้วก็ทําให้มันยึดมันติดมันมันรักมันหวงมันมันไม่มีความสงบมันก็เลยต้องไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มาขอให้ความสุขอยู่เรื่อยๆฉะนั้นต้องฝึกสติให้มากๆก่อนอย่าให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆ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 เหมือนกับยังไม่ได้มีรถใหม่ก็ใช้รถเก่าไปก่อนยังดีกว่ารถเก่าถึงแม้ว่ามันจะพังบ้างไม่วิ่งได้บ้างวิ่งไม่ได้บ้างก็ยังยังพอถูไถายไปแต่ถ้าได้รถใหม่แล้วก็ไม่เก็บรถเก่าไว้ให้มันสิมันเกะ ก, กะต้องหาความสุขใหม่อ่าตอนนี้ยังอาศัยความสุขทางตาหูจมูกมือกายอยู่แต่เป็นความสุขที่ไม่แน่นอนใช่ไหม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 ดีกว่าเอาเวลาไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เลยไปบวช ด, ดีกว่าอยู่บ้านวุ่นวายหนอนั่นแหละมันมันต้องทําใจให้สงบให้ได้ให้มันตกหลุมตกบอก่อให้เจอความสุขที่เกิดจากการนั่งสมาธิให้ได้ก็แล้วกันถ้ามีความสุขจากการนั่งสมาธิแล้วก็จะไม่ต้องหาความสุขอย่างอื่นได้ ก็อยากจะหาความสุขจากการนั่งสมาธิไปให้มากขึ้นไปก็ต้องมีเวลาก็ต้องเลิกเอาเวลาไปหาความสุขทางอื่นเอาเวลามาหาความสุขจากการนั่งสมาธิแทนคนที่เขาไปบวชกันจริงๆเขก็เพื่อที่จะไปหาความสุขจากการนั่งสมาธิอย่า ง, างที่เรารู้สึกโกรธ โกรแล้วเรารู้อีกจิตเนี่เรารู้ว่าเราโกรธ้ะเราโกรธแต่ว่าเราห้ามการโกรธไม่ได้แต่คือเรารู้นี่คือการพัฒนาของติดเ่งจะดีถ้าเย็นหยู่ไม่ได้ก็ไม่ไม่มีความหมายอะไรหรอกแต่ว่าเรารู้ว่าอรู้ว่ามันหยุดไม่ได้ก็เหมือนกันรู้ว่าไฟไหม้แล้วแล้วจะทาไงมันก็ต้องดับไฟเลยมันถึงจะอะรู้ไม่รู้มันก็เหมือนกัน่ะมันก็ไหม้เหมือนกันรู้แล้วต้องดับมันให้ได้ จะดับให้ไดก็ต้องมีสมาธิต้องหยุดต้องหยุดใจให้ได้เพราะตัวที่ทําให้ไฟใจไหมน ก, ก็คือความอยากความคิดนี่เองพอมีสติหยุดความคิดได้อไฟในใจมันก็ดับไปความโกรธมันก็ดับไปไปรู้เฉยๆมีประโยชน์อะไเหมือนรถจะวิ่งฝ่าไฟแดงก็รู้ว่ามันจะวิ่งฝ่าไฟแดงเหยียบเบรกเบรกไม่มีเบรกแตกแต่ว่ามันมันเหมือนว่าอย่างน้อยมันก็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 ถ้ารู้ว่ามีความโกรธแล้หยุดไม่ได้ก็ต้องไปสร้างเบรคขึ้นมาสิไปสร้างสติขึ้นมาสิสติก็เนี่ยพุโทโธไปทั้งวันเลยพอเกิดความโกรธก็พุโทโธพุโทโธไปมันก็หยุดได้นี่พอเกิดความโกรธก็ลืมพุโทโธเอาพุโทโธมาใช้สิพอมันเห็นว่ามันโกรธปั๊บก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าพุโทโธไปเดียวเดียวหนาทีสินาทีมันก็ลืมแลเรื่องที่ทําให้เราโกรธ มีเครื่องมือแล้วเนี่ยเราก็สวดมนต์ได้ใช้บทสวดมนต์แทนก็ได้เวลาโกรธใครก็อิทีปิโสไปเออย่าไปคิดถึงคนที่ทําให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็ลืมนะพอลืมแล้วมันก็หายโกรธพอไปคิดถึงมันอีกโกรธเดี๋ยก็สวดอกีก เ, เดี๋ยวมันก็เราก็หยุดมันได้เองเอตอนนี้เราต้องสร้างสติขึ้นมาด้วยการสวดมนต์ด้วยการพุทธโธ แล้วพอเวลาที่มีความโกรธความโลภ ก, ก็ใช้การสวดมนต์ไปพุทโธไปมันก็หยุดได้ชั่วคราวยังไม่ได้หยุดท้าวรนะยังหยุดชั่วคราวถ้าจะหยุดท้าวรต้องใช้ปัญญาต้องเห็นโทษของความโลภความโกรธว่าเป็นเหมือนไฟเผาใจถ้ารู้ว่ามันเป็นไฟเผาใจก็จะไม่โลภไม่โกรธตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามันเผาเผาใจเราอยู่เวลาโลภนีม่มัน มันเผาใจเราแต่มาชอบมันเือนพวกซาดิสเงี้ยเวลาเฉือนเนื้อตัวเองแล้วโอ้ยมันเลือดไหลซิบๆนี้กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความโลภใช่ไหมแต่ก็ยังโลภอย่างทานที่จะเลิกโลภไม่ยอมเลิกยิ่งกลับอยากจะให้ได้เร็วๆได้ง่ายๆก็เดี๋ยวก็ไปทำบาป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 ถ้ามีปัญญานี่มันจะถอนรากถอนโคนของความโลภความโกรธความหลงมันจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนยาพิษแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นว่าเป็นยาพิษโลภก็โลภทุกข์จะตายเพราะความโลภก็ยังโลภอยู่นั่นโกรธเพราะความทุกข์เพราะความโกรธก็ยังโกรธอย่างั้นทุกข์เพราะความหลงก็ยังปล่อยให้มันหลงอย่ง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 มใช่ดับมันแต่พี่อาจารย์บอกอ่ะดูแล้วต้องันดับมันเห็นไฟไหม้บ้านก็ต้องรีบปเอาหน้ามาดับมันไม่ใช่นั่งดูมันจะเฉยเอ้าไฟไหม้บ้านไว้ต่อสติอปัญญามาใช้สองตัวเนี้ยตอนต้องเอาสติก่อนปัญญามันยากกว่าสติมันง่ายแค่พุทโธพุทโธเดี๋ยวก็ได้แล้วสวนมนต์ไปนี้ก็มีสติละใช่ไหม เราเอาสวนแล้วก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้แล้วนี่เรียกว่าสตินะส่วนปัญญาต้องเห็นว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราก็จะปล่อยแล้วไม่โลภไม่ไม่ไปอยากกับเขาได้เข้าใจน ะ, ะ, จะเดี๋ยวจะให้คำถามของคนอื่นเข้ามาอเอาข้อมา่ม า, าง Facebook คำถามจากคุณพันธิศอยากให้คนในครอบครัวฟังธรรมะเราจะบอกเขายังไงดีคะอยากยัวไงเป็นกิเลสเลยอวะ <c ười> <c ười> คือบอกได้แต่อย่าไปอยาก <c ười> เดี๋ยวอยากแล้วพอบอกเขาแล้วเขาไม่ <c ười> เขาไม่สนก็จะโกรธเขานี่จะเสียใจอบอกเขาว่าเออมีธรรมะนะถ่ายทอดสดทุกบ่ายสองโมง เข้าไปใน facebook นี่ดูได้ตลอดเวลามีทั้งของเก่าของใหม่ให้ดูให้อ่านถ้าไม่พอก็เข้าไปในเว็บไซต์หรือมาวัดมีหนังสือก็เอากลับไปวางไว้ที่บ้านอบอยเขาว่ามีหนังสือธรรม ะ, อ, ะอยากจะอ่านก็อ่านนะแต่อย่าไปอยากอย่าไปเคี่ยวเข็นเขาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องกันไปเคี่ยวเข็นคนที่ก็ไม่อยากจะอ่านเขาก็โกรธเราล้วก็โกรธเขาขึ้นมานะ บอกได้บอกบุญได้แต่แต่อย่าไปเที่ยวเขียนให้เขาทําตามที่เราบอกอย่าให้เขาฟังธรรมะก็ เ, เปิดธรรมะให้มันดังล้นบ้านไปเลเดี๋ยวเขาก็ได้ยินได้ฟังไว้เอง <c oughs> เอยู <c oughs> เอ่เหมือนกันใช้อยู่เหมือนกันค่ะใช่ถามาคําถามจากคุณตู่เรื่องการกับชาติมาเกิดมีจริงหรือไม่ครับหรือเป็นแค่ลวงโลก เอานี่ก็พูดมาต้องชั่วโมงก็พูดเรื่องกลับมาเกิดเนี่ยไลวงตรงไหนเราลวงตัวเราเองเรากลับมาเกิดยังไม่รู้ว่าเรากลับมาเกิดที่ได้ทำไปคำถามจากคุณนายประภรร์นิพพานจำเป็นต้องบวชไหมคะดินแดนนิพพานมีสภาวะอย่างไร แล้วบุญบารมีต่างๆจากพระอริยะเจ้าจะส่งบรารมีมาคุ้มครองแก่ลูกศิษย์ไหมคะมีผ่านเกิดการไม่มีกิเลสไม่มีความโลภความโกรธความหลงของใจเราเนี่ยไม่ได้เป็นนินแดนไม่ได้เป็นสถานที่เป็นจิตใจที่ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงเราต้องอาศัยบรารมีคือสติปัญญาบรารมีของพระอริยะเจ้ามาสอนเราเพื่อเราจะได้รู้จักวิธีอ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 สถานที่ก็มีส่วนช่วยสถานที่ที่สงบนี้มันจะทำให้นั่งสมาธิได้ง่ายกว่าสถานที่ที่มีเสียงหรื อ, อ ก, ก็ทึกเครือโคนแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยตัวเดียวปัจจัยอื่นก็สำคัญคือสติถ้าไปอยู่ที่เงี ย, งยบๆแต่ไม่มีสติใจก็ฟุ้งซ่านได้คิดเรื่อยเปื่อยน้อยแ8 0 0 0นประการะฉะนั้นก็ต้องมีสติด้วยมีที่ที่สงบด้วยช่วยกัน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 ก็มีโอกาสไปเกิดเป็นหม้าได้ก็ไปใช้บาปถ้าไม่รักษาถ้ารักษาศีลได้ก็ไม่ต้องไปเกิดเป็นหม้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ท่าคำถามจากคุณกาญจนาเวลานั่งสมาธิรู้สึกจิตตลอดรู้ตัวจิตตลอดแต่ในห่วงที่เรียกว่าาวัง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 นั่งแบบนี้แบบนั่งแบบไม่มีสติถ้านั่งแบบมีสติมันต้องพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็ตกภาวังเดี๋ยวก็ไปเห็นนูน่นเห็นนี่ขึ้นมาคำถามจากคุณสิทธิศักดิ์นั่งสมาธิจนกระทั่งจิตนิ่งแล้วให้รู้ให้รู้อะไรครับใช่ให้รู้ว่ากำลังนั่งอยู่กำลังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ ถ้ายังรู้อยู่กับลมหายใจก็ยังว่ายังแสดงว่ายังไม่นิ่งถ้านิ่งแล้วมันจะหายไปหมดนะลมหายใจลูกเสียงกลิ่นรสก็จะหายไปเหลือแต่ตัวรู้ตัวเดียวรู้แต่รู้แต่ผู้รู้ตัวเดียวคำถามจากคุณซิกคิสตนันผมต้องไปต่อสู้กับคนไม่ดีที่มีอำนาจขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยครับ แพ้ <EM AN> เป็นพระชนะเป็นมารอย่าไปสู้กับใครสู้กับกิเลสเราดีกว่าสู้กับคนอื่นถ้าชนะเขาเขาก็โกรธเราเกลียดเร า, เราถ้าเข า, า, าถ้าถ้าถ้าเราชนะเาถ้าเราแพ้เขาแล้ถ้าเขาชนะเราเราก็จะโกรธเกลียดเขางนั้นอย่าไปสู้กับคนอื่นสู้กับกิเลสเราดีกว่าชนะตนดีกว่าชนะผู้อื่นเนี่ย พระเจ้าบอกว่าการชนะผู้อื่นเป็นหมื่นเป็นแสนก็ก็ชนะตนไม่ได้ชนะตัวโรคตัวอยากตัวโกรนี้ไม่ได้เพราะพอเราชนะตัวโรคตัวอยากตัวโกรดนี้แล้วใจสงบมีความสุขถ้าไปนชนะคนอื่นใจก็วุ่นวายเพราะเขาจะโกรธเกรียดเราเขาจะอาฆาตพยาบาทเราถ้าเขาชนะเราเราก็จะโกรธเกลียดเขาอาฆาตพยาบาทเขางั้นให้เอาเอาชนะตนดีกว่านะครับ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 คำถามจากคุณหญิงลอยอังคารควรรอยช่วงไหนคะแบ่งไว้กับไหว้แล้วเท่ากระดูกของพ่อได้ไหมคะลอยตอนที่มีน้ําสิเวลาน้ําลงอย่าไปรอยลอยต <c oughs> อนที่น้ําขึ้นคําถามจากคุณสายน้ําที่บ้านเลี้ยงปลาไว้ในตู้แต่จะเอาไปปล่อยจะบาดไหมครับปล่อยก็ดีมันจะได้เป็นอิสระ อยู่ในเต้ก็เหมือนติดคุกดีๆนี่ถ้าเราต้องถูกขังในบ้านนี้กับให้เราได้ออกไปเที่ยวอย่างนี้เราจะเอาอะไรหมดแล้วเลยอ่า YouTube บเลยคำถามจาก YouTube คำถามจากคุณเพชรเมื่อก่อนเคยได้ยินได้ฟังทำมาแต่ไม่เคยทำตาม มาตอนนี้เพิ่งมองเห็นแสงแห่งพระธรรมถามว่าทาไมหนูมองไม่เห็นธรรมนั้นครับเมื่อก่อนไม่มองไปมองอย่างอื่นนไปมองภาพยนตร์ไปมองศูนย์การค้าไปมองกระเป๋ารองเท้าไปมองเสื้อผ้ามันก็เลยมองไม่เห็นธรรมพอตอนนี้มาเข้า youtube มาเข้า facebook มาอ่านหนังสือธรรมะมันก็เลยเห็นธรรมขึ้นมา แลนั้นพยายามมองธรรมอยู่เรื่อยๆจะได้เห็นธรรมเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติทำให้เราได้มีความสุขให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์กันหมดแล้วใช่ไม้มมีมาอีก2เอาเลยมีก็ว่าไปเรื่อยๆคำถามจากคุณกิจกับเรียนถามพระอาจารย์พระโสดาบันทำไมเวลาตายจึงต้องปิดอบายภูมิเพราะอะไรครับ เพราะว่าจิตของเขามีสติปัญญามีแสงสว่างเขารู้ว่าทางไปอบายไปทางไหนทางที่ไม่ไปอบายไปทางไหนเขาก็ไม่ไปทางอบายทนั้นเองคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันนี่ยังเป็นเหมือนคนตาบอดอยู่ก็เลยไปตามความรู้สึกความรู้สึก่กทําบาปก็จะพาให้ไปอบาย คำถามจากคุณบัวทิพย์นั่งสมาธิซัก 30-40 นาทีแล้วใจไม่พุดโทรต่อเลยไปกำหนดรู้หายใจเข้าออกแทนแต่จากนั้นรู้สึกเหมือนโลกหมุนหลับตาอยู่หัวเราหมุนตามไปด้วยเป็นวงกลมเหมือนโดนจับปัน่นมันหมุนสุดๆเลยเหมือนตัวเราสั่นๆด้วยก็กำหนดรู้ก่อน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 กานอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันนี้มันไม่ต้องใช้ความคิดก็พุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะสงบจะไม่คิดอะไรได้คำ ถ, ถามจากคุณไพรีทำไมพ่อที่เสียไปยสองปีแล้วยังฝันเห็นท่านมาหาบ่อยเป็นเพราะอะไรคะพ่อเราคิดถึงท่านเหรอเลย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 มันออกมาจากความคิดของจิตเองงั้นเราก็อยู่ที่จิตถ้าจิตหยุดคิดเราก็หายไปเวลานั่งสมาธิจิตสงบตัวเราก็จะหายไปเพราะตัวคิดมันหยุดหยุดคิดหยุดจําตัวตนก็หายไปตัวเราก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้ตัวรู้นี่เป็นตัวจิตที่แท้จริงเราต้องการเข้าถึงตัวนี้แล้วก็ยืนอยู่บนตัวนี้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 แล้วจะไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดจากเกิดจากความรักความชางังความกลัวความหลงนี่เองมแล้วใช่ไหมมีมาอีกข้อนึ่งค่ะอ่าข้อสุดท้ายใช่ไถามจากคุณเตยทะเลเราจะสอนคนที่ยึดมั่นถือมั่นในตัวเองมากๆอย่างไรดีคะสามีเป็นคนชอบโทษทุกอย่างรอบตัวเวลามีเรื่องผิดอะไรเขา เข้าใจผิดขึ้นมาทุกครั้งพยายามพูดบอกให้เขารู้จักยอมรับว่าตัวเองนั้นไม่มีมีส่วนไม่ดีและควรปรับปรุงขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ด้วยค่ะควรสอนตัวเราก่อนอย่าไปสอนคนอื่นเลยสอนคนอื่นแล้วเดี๋ยวมีเรื่องก็ เ, เดี๋ยวเขาไม่อยากจะฟังเขาก็จะโกรธเกลียดเรายิ่งยิ่งทำให้เป็นเรื่องใหญ่บานปลายขึ้นไปสอนตัวเราเองให้หุบปากอย่าไปยุ่งกับเขาสอนให้เราปล่อยวางเขา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 แล้ตัวฉันนะ่ะแล้ตัวเธอลราโลภแล้วโกรธหรือเปล่าตัวเองต้องไม่โลภไม่โกรธก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นว่ามันอย่าโลภอย่ากโกรธแล้วก็ต้องสอนคนที่เขาอยากจะรู้คนที่เขาไม่อยากฟังก็อย่าไปสอนเขาจะราคาญเนาะแล้วเขาจะโกรธเกลียดเรานะางั้นตอนนี้อย่าไปสอนเขาเลยสอนตัวเราก่อนดีกว่าสอนให้เราสบายใจกับความความไม่ดีของเขาให้ได้ก่อน อันนี้เรามไม่สบายใจเพราะความไม่ดีของเขาเราอยากจะให้เขาดีเราจะได้สบายใจอันนี้เป็นวิธีแก้ผิดเราต้องมาแก้ที่ใจของเราแก้ที่ความอยากของเราให้เขาดีถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาดีแล้วเราก็จะสบายใจเขาจะดีไม่ดีมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเอาแค่นี้แล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิณิพิจนาไปปฏิบัติ